มันว่มีนไ่กในวันตาลอาลมันก็ไ่มีพันธพ่างขันว่มัไม่ลกมันก็ไม่มีงอแย่ขัว่ามัไม่มืดมันก็ไม่มีสว่างมาฝ่าเฮียนิสาเช็ดลาบเฮียนสาอ่านอื่นอะมาถือก็มันละพิชซีนสมาธิปัญญาเองสะดุวยเฮียนสาเค็ดลาบแล้วถือถือซีนสมาธิปัญญา โอ้โหก่อคำนี้เสี้ยมไม่ทราบคิดื้อเหรอว่ถือล่ะสังคมของโลกกับสังทุกสองโลกของโลกอันเดียสังคมของโลกกับสังทุกก็อันเดียวกันสังคมของทุกกับสังคมของโลกก็อันเดียวกันสังคมเกิดสังคมแก่สังคมเจ็บสังคมตายก็คือสังคมทุกเราดีๆนี่เองนั่ ห่วงทุก <outs> ห่วงเกิดห่วงแก่ห่วงเก็บห่วงตายทะเลเกิดทะเลแก่ทะเลเก็บทะเลตายทะเลอนิจจังทุกคังอนุตตาเกิดขึ้นมาแล้วแปรปรวนแตกสลายสักทั้งหลายจะพากันมาอวดดีมันน้ำให้เป็นตัวในวัฏฏะสองสารมันตั้นไม่ได้ ทั้งหลายพูดที่มาอดดีนะ่ะที่มาปันนนำให้เป็นตัวในวันาจักรงสารมันไม่เป็นซ่ามันนำแข็งมันก็เป็นน้ำแข็งแต่ว่ามันสลายให้เราเห็นอยู่มันก็ลงตามธรรมชาติ เทวดามานทุนจะมาแข่งดีกันอยู่ในโลกไม่ใช่แข่งดีกันมันแข่งทุกกันพระหันีจึงแข่งดีกันพระศสดาวันกาทกภาคามีแข่งกันออกมี้จากโลกไปเถอะไปเถอะพวกเราอย่าอยู่พระหันคือม้าตัวม้าตัววิ่งเร็วพระดาวัน คือเมื่อตัววิ่งชามันก็ต้องอยู่ข้างหลังแต่ว่าจะถึงที่สุดเหมือนกันเ น, <ๆ>นือเรานั้นวิ่งวนวิ่งเวียนวนอยู่ในเกิดแก่เก็บตายโลกโกหลงวนในกินในขี้วดในได้ในเสียทะเลวนทะเลเวียนก็คือมนุษย์โลกเทวโลกสัตว์โล ก, โ, โ, ก, โ, ลกโลกคือมังสัติโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เทวโลกได้แก่ชาติมาพจชรหกชั้นพภพโลกได้แก่ภพภพที่หกชั้นจึงเหล่านี้ล่ะพวกมาวนมาเรียงกันอยู่นี่เรียนแก่เวียนเกเ็บ เ, เรียนตายฉะนั้นจึงเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมและผลของกรรมพาให้เป็นไปพระสสดิวันสักทาครารีอนณาคามกรรมและผลของกรรมของท่านเป็นไปในทางโลกุตระกรรมและผลของกรรมกรามก่อนหน้านองมาเป็นไปในทางโลกี ก็หมุนเทวดอยู่ในวัตารสงครามนี่เองความดีความชั่วใครเป็นผู้สร้างขึ้นเทวดาก็มาได้สร้างขึ้นพญยายามก็มาได้สร้างขึ้นในทางชั่วในทางดีพ ม, ม่าโลกเขามาได้สร้างให้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าสร้างก็พระผู้เป็นเจ้าจิตเจ้าใจของแต่ละคนละคนสร้างขึ้น ก็เป็ลมมาสักัตาดาเป็นผู้แนะนําจะทำแทนก็ไม่ได้นิ้นอนก็นอนเองยื้นอน้าก็ดื่มเองผู้ที่สร้างอริมแก่้ามาแล้วน้องรู้รอดเท่า ก, กับหลุมถานเลม มองดูสวรรค์ก็เหมือนหลุมทานเพลิงอมองดูพม่าโลกก็เหมือนหลุมทานเพลิงาบางท่านบอกว่าภาวานาไปดูนะโลกสวรรค์ก็ไปดูกองทุกเหมือนกันไปดูตายทําไมเราไม่ต้องการอย่าไปดูกองสวรรค์ก็กองทุกกองแล้วโลกก็กองทุกข์ดูไม่ดูมันก็เห็นอยู่แล้วในแต่โลกทระถางมันเป็นทุกข์หมดแล้วใครจะไม่เห็นเห็นโดยปัญญา ปัญญาะ จ, จะบฏิสุขจิตผู้จะบริสุขเพราะปัญญาปัญญาโลกัจะมิปัจโตโชโตแสงสว่างเส ม, มอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานั่นเองจะไปแก้ความหลงจะไปแก้ความโง่ปัญญามีใ น, ในผู้ใดผู้นั้นจะแก้ความโง่ของต น, นได้เป็นชั้นช้นศีล ส, สมาธิของคนนั้นก็จะขึ้นเร็วศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดี ศีลชั้นไหนๆก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าสมาธิชั้น ใ, ใดๆก็ต้องมีเป็นหัวหน้ามีปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญาในชั้น ใ, นใดๆก็ต้องมียานปัญญาเป็นหัวหน้าเอคนไม่มีปัญญาก็รักษาศีลมา ไ, ได้คนไม่มีปัญญาก็ทำสมาธิหยุดยั้งไม่ได้คนไม่มีปัญญาก็ไม่รอบครอบในกองสังขารเหมือนกันนะ ปัญญาย่อมเป็นหัวหน้าทุกหมวดทุกหมู่ไม่ว่าทางโลกีแลือโลกุตระพูกเขาออกเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ะดีเขาก็เอาคนที่มีปัญญาเป็นหัวหน้านัที e, ทิพารารินายกกาคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้า บัญทิตาปรินายากาศบัณทิตเป็นหัวหน้าถ้าน้อมลงมาในฝ่ายปฏิบัติคณะกิจที่มันไปเป็นไปในทางบาปไม่ควรเอามันเป็นหัวหน้าควรพับดันมั น, นคณะกิจที่มันไปในทางบุญทางดีมีทานวัตรศีลวัดรภาวนาวัดควรให้เป็นควรให้มันเป็นหัวหน้า ขณะคิตที ойти, at, ่ม ouais. ันเกียร์คลาดอันนั้นก็ไม่ควรให้มันเป็นหัวหน้ามันเป็นผ่านขณะคิตที่มันส่งเสริมราคะให้จัดขึ้นโทสะให้จัดขึ้นโมหะให้จัดขึ้นขณะคิตอันนั้นก็ไม่ควรเอามันเป็นหัวหน้ามันเป็นผ่านผ่านมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเราบันทึกมันก็อยู่ที่ใจของเรา นักปาก็อยู่ที่ใจของแต่ละคนนักเปรตก็อยู่ที่ใ จ, ใจแต่ละคนใครเป็นผู้ทํานักเปรตนักปาาให้เกิดให้เกิดขึ้ น, นก็คือใจของตนเองที่ทำให้เกิดขึ้นเทบุธเทวราเย็นพรมก็ไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นต้องใขความมันโชคดีมงคลเลิศใครเป็นผู้ทําให้โชคดีมงคลเลิกก็คือใจใครทําให้เป็น อ, ปอัปปมงคลก็คือใจเป็นผู้ทําให้เป็นอัปปะมงคล มันอุกกาบาทวันโลกาเวนา่าด้วใจทําให้เป็นโลกาเวนาามันก็เป็นเป็นทําให้เป็นอุกกาบาทมันก็เป็นทําให้เป็นมงคลมันก็เป็นเพราใจเป็นผู้ทําขึ้นพระพุทธศาสนาสอนหลัใจใจก็ดีวิญญาณก็ดีมนัษก็ดีมโนก็ดีในทางคำบาลีเรียกว่ามโนเรียกว่ามนัษยก็เรียกว่า จิตก็ว่าในทางมาเรียจิตตังทันกลางสุขาวาหังจิตที่ฝึกฝนแล้วนำสุกมาให้ก็นำสุกมาให้จิตนั่นเองจิตที่ไม่ฝึกฝนก็นำทุกมาให้จิตจิตเตสังคิริเธทสุขติปานทกลางขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุขติก็เป็นหวังได้ตรงกันข้ามเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นหวังได้ใครเป็นพูดได้ ก็คือใจเป็นผู้ได้ัเองใครเป็นผู้เสียก็ใจเป็นผู้เสียไม่มีใครมาแย่งได้ย่งเสียกับใจบ้างท่านก็กล่าวว่าใจกัจิตเป็นคนละอันคําว่าใจก็หมายความแปลเป็นภาษาไทยแล้วคําว่ามนัตก็แปลว่าใจคําว่าวิญญาณก็แปลว่าใจแปลว่าเป็นภาษาไทยแล้วใจกัจิตก็มีความหมายอันเดียวกันคําว่าใจแปลว่าแปลเป็นภาษาภาษาไทยแล้วแปลออกมาจากวิญญาณด้วย แปรออกมาออกมาจากมนัสด้วยแปรออกมาจากมโนโด้วยแปรมาออกมาจากจิตตังด้วยจิตตถาธรรมโถสาธุคือผลนจิตนั่นแหละเป็นดีจิตก น, นายะโก ผู้พาทำผิดก็จิตผู้พาทำถูกก็จิตพระพุทธศาสนาวางลงที่จิตใจแห่งเดียว <c oughs> ไม่ได้วางลงที่อื่นถ้าไตรปิลกก็รวมลงที่ใจแห่งเดียวไตก็แปลว่าสามศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงที่ใจ แปว่าที่รวบรวมเหมือนตะก้าเรามาอยู่ร่วมโลกจะให้ถูกใจเราหมดทุกอันมันก็ไม่ถูกเราอยู่คนเดียวมันก็ยังไม่ถูกใจอย่ไม่มีใครอยู่ด้วยเอา้าเราอยู่คนเดียวให้เ็าตายหมดจ้จะถูกกับติเลตเราไหแเราก็ไม่กล้าอยู่เหมือนกัน ท่านพวกไหนกล้าอยู่เหไว้กันที่นี่เขามอบให้หมดทีนี่เพื่อทัท้งไตโรคธาตเนี่ยเขามอบให้หมดทั้งสังหานีมาทรัพอสังหานีมาทัพเราจะเอาไหมเราก็ไม่เอานั่นคนเราไม่ว่าตนและท่านผู้อื่น โทผู้อื่นเห็นง่ายฝ่ายตนเห็นยากสําหรับตนถ้ามีผู้ให้คะแนนก็ยังไม่คันพิจารณาก็าเลยว่าว่าเขาดีเลยนั่นถ้าหักค่าขอให้คะแน น, น, นถึแงแน่มันถูกเราก็รับเห็นไหมมันถูกรก็ต้องพิจารณาไม่ถูกเราก็พอพิจารณาขึ้ น, น่อถ้าเขาตีเตียน สิ่งไหนที่มีเหตุผลเราก็รับฟังสิ่งไหนที่ไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ลงในใจเองเหมือนกันไม่ใช่เขาตีเตียนตอนไหนเราก็จะเรียบทําตอนนั้นก็ไม่ถูกติเตียนโดยไม่เป็นธรรมเราก็ไม่ทําเช่งเขาติเตียนว่าเราไม่ดื่มสุราอย่างนี้เราจะไปดื่มพวกเขามันก็ไม่ถูก เออรับรับผมรับรับดีฉันมันดื่มไม่ได้บาปแล้วก็ไม่ต้องอธิบายเพมันมันมีโรคแค่นิดหนึ่งอยู่นี้ถ้าดื่มเข้าไปก็ขัดกันโรคอะไรก็โรคบาปแต่เราไม่อธิบายถ้าอธิบายมันสร้างปัญหามากเดี๋ยวทะเลาะกันชกกันนาทีโลเกอานินทิโตค้ค้นมาถูกบินทาไม่มีในโลก จริงอยู่ถ้าเขานินทาตอนไหนที่ไม่เป็นธรรมเราก็แก้ตัวซะสิ่งไหนที่เป็นธรรมแล้วเราก็ไม่แก้สิ่งที่เป็นธรรมแล้วไม่เป็นธรรมเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็เอาคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องวัดพระพุทธศาสนาสอนว่ายงไงมันมีแล้วมีแบรพิมพ์แล้วมีแว่นสองทางแว่นรวงใจแล้วก็คือคำสอนพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นพยานอีก แต่คนทานไม่เหมือนบันทิปสิ่งที่ดีมันว่าไม่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีมันว่าดีก็มีเอาเป็นตระมาณไม่ได้พระพุทธศาสนาแค่นะ้ดีพอแล้วแต่พวกเราจะดีตามทันหรือไม่เท่านั้นคิดสือสัมมเนร ก็ดีอุบาสกอวาสิกาก็ดีเทวตรเทวดาเอินทรย ม, มยนตรก็ดีถ้าต่างก็ที่เตือนตอนเองเราเป็นผิ้ศรัทธาเนรส ม, นสมนานะที่เราเป็นผู้ศรัทธเนรหรือไม่เราขาดตัวบล็อกอันใดก็จะทําให้มันสมนานะที่เราเป็นผิ้ศรัทธเนรทีนี่ต่างคนก็ต่างเตือนตนทีนี่ พว ท, ที่อยู่ทางคารวาสเราสมชานะเป็นอบาศอบาศิกาหรือไม่หรือขาดตกบกข้องอันไหนก็ต้องตรวจดูอีกสวนผู้ทีเจ้าเป็นนายก็เหมือนกันเราเป็นเจ้าเป็นนายสมชานะไหมหรือไม่สมเราก็ต้องตักเตือนตอนเองทีนี้เราเป็นบ่าวเราเป็นบ่าวสมชานะเราไหมสมมุติว่าเราเป็นลูกจ้างเขาเขาจ้างให้เราไปทําอันนั้นอันนี้ เราเล่าเอาสิ่งของเขาหรือไม่เราทำหน้าที่ตรงต่อเวลาหรือไม่สมท่าเงินของเราแตกเขาแต่ละวันละวันหรือไม่ก็ต้องตรวจดูตนเสียก่อนส่วนเจ้านายก็เหมือนกันแล้วแค่การงานของเขาเหลือวิสัยหรือไม่หรือเราจ้างได้ถูกเกินไปหรือเราเห็นแก่ได้ไม่คิดดูตาดำดำอันนี้ก็ต้องมองดูตนเสียก่อน คนเราไม่ค่อยจะมองดูตนใครไปที่ไหนในทิศตสี ต, ต้องการยังประเทศคนอื่นทั้งนั้นเมื่อวานนี่ก็ต่อพระองค์หนึ่ง <c oughs> พระพวกฉันเกย์มาเนี่ยเ <c oughs> มื่อเขาก็เอาเหยมาเขาเอาเหยมาหวานปลาช่อนตัวโ ต, ว ต, ว ต, วตวที่ <c oughs> เหยมันไม่หุ้มปลาช่อนซะีนี้ วาช่อนกระโดดเลยก็หมดปัญหาเนี่ยพูดไม่ถูกพูดว่าชั้นผักชั้นเกผู้มีเมตตาผู้ไม่มีเมตตาทั้งนั้นล่ะพูดไปชั้นเนื้อชั้นปลามาเถียงกันอย่างนี้แหละกับเราแล้วก็เถียงมันกันวันเนี่ยพูดชั้นเนื้อชั้นปลามันไม่มีเมตตาแล้วก็เถียงไป เออช่างมาเนี่ยมันฉันมันกินแต่หญ้าทําไมมันฆ่าคนเราพูดอย่างนั้สิฆ่าผ้าไม่กินเขาก็ไม่ฆ่าเออฆ่าไม่มีเมียเขาเอาทำไมเราก็พูดอย่างนี้ทีถ้าไม่ฆ่านักสัตว์ประพฤติผิดในกรรมเขาไปทําทําไมถ้าบเรามาศาสต์เจ้าชมห้ามแต่ฆ่าศาสตร์หรือ วันอาทิบาทิตย์นากาเมมุสาสุราถ้าไม่กินธุราเข้าไปกินทำไมถ้าไม่มีเมียเข้าไปเอาทำไมเขาพูดอย่างนี <c oughs> ้พระบรมศาสดาสอนไว้พอดีแล้วพึกสุถ้ามีผู้มานในมลออกชื่อโพชนะทั้งหาอย่างคือข้าวสุดขนมแห้งปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ถ้าไปรับของนั้นมาหรือชั้นของนั้นเท่ากันตั้งแต่สืบรขึ้นไปถึงปาริชาติเ่อนไม่แต่สมัยกีวรกลางและเวลาทํากีวรมีในพระวินัยมีเก้าพิษสุขอโปชนะอันตนิีคือเข้าสุขละคนด้วยในสายเนี่ยต้นน้ำมัน น, มน้าพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื่อแก่ต้นหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปริญญานเอามาฉันา้นถึงปจะตีนติมันมีอยู่ทุกคนต้องแข่งที น, ทนี้ถ้าหากว่าเขาบเราศา ส, าสดาห้ามไม่ให้สัตฉันเนื้อแล้ว ที่มังสาเวรัตจะว่ามังสาเวรัตทาไมจะว่าตายทําไมเมื่อห้ามแลี้วก็เป็นการแลี้ยงไปไม่ต้องว่ามังสาเวรัตเขาบอหลวงพ่อาติดาบอกว่าใครมีศรัทธาก็จงทําไปเถิดถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็แลี้ยงไปเราไปตั้งกดไว้พระบรมศาสดาไว้ทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่า เขากินดองกันเขาแต่งงานกันเขาค่าโคค่ากระบือพระก็ได้รู้จักว่าเขาค่าโคค่ากระบืออยู่แล้วเขามาแทบบาดให้พระกินเป็นโทษอาบัติทุกกฎทุกคำเกินไม่เขาก็เถียงกันอยู่พวกที่ฉันเล่นคนหนึ่งบอกว่าองค์หนึ่งบอกว่าไม่จะเป็นเพราะคารวะเขาบอกว่าสําหรับพระมายากให้อะไรท่านก็กิกนได้มันยากกับโยมเขาพูดนะขอเสดังเห็นว่าเขาไม่ได้ค่าให้พระกิน เขาก้าขายเขาตา่าเขากล้ลารับแจกรัคนต่าทีนี้พระบรมศาสดา ก, ก็บอกไมาให้รักทรัพย์ทีนี้เขาไปรักทําไมพระก็ไม่รักไม่ให้ไปเล่นเมียเขาไม่ให้ไปเล่นผัวเขาการเมียสมิตราจารย์ลูกเขาเดี่พระไปเล่นไหมพระก็ไม่ให้ไปเล่นส่วนผู้ทําผิดต้อยกไหว้ส่วนหนึ่งอนนั้นแต่ไม่ใช่มันจะผิดหมด สุรามรีระยะห้ามมาให้พระห้ามมาให้พระกินทีนี้ยงเขากินอยู่เมื่อพระไม่กินเขากินทําไมนั่นมันก็อันเดียวกันพระเทวทัตไปขอพรพระบรมาศาสด า, ศาอันนี้เรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตแต่ลงแผนก่อนแล้วพระบรมศาสด า, ศาบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยเธออย่ามาทําแผนดีกับหลอกเรารู้จัก เธอแล้วสิ่งนี้นมันพอดีเราบัญญัติตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่แล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าทาั้งหลายจะมาเถียงกันมาชี้ขาบทของพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้ไม่เหมือนกับเราเราเท่งกว่าไม่มีพระถูกแล้วมันมีที่จะแก้ไขเพระพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาบัญญัติกันมามัน ญ, ญัติชี้ขาบทไว้ไหนอันเดียวกันหมดถ้าหากว่าเราจะเพ่งโทษว่า ผู้ฉันเนื่อฉันตาเป็นคนไม่ไม่เมตตาปานี้ถ้าอย่างกใหไปเพียงโทษพระบรมศาสดาแม้พระบรมศาสดาก็ไม่เมตตาพระบรมศาสดาเขาฉันเนื่อชั้นตาอยู่เขาเอามาให้แต่ว่าของที่เขาเอามาให้ถ้าเขาในมลถ้าเขาออกชื่อพอชนะทัานก็ไม่ออก โคตัวนี้จะฆ่าให้พระฤาษีษสงฆ์ถ้าได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ต้องกินถ้ากินเป็นระบาดทุกกฎเราฉันผักก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่บาปกว่ามันจะเป็นผักขึ้นเราก็ฉีดยาตายตั้งหมื่นๆชั้นเศษซับอยู่นันมันจึงเป็นผักมาให้เรากินได้ถ้าอย่างนั้น ถ้าไหมเราก็อย่านุ่งเพราะสัตว์ทั้งหลายเน่ะมอ น, น่มันตายหลายตัว<อ>ข้าวก็ไม่ต้องกินเพราะโคตายด้วยเอ็ดด้วยไถมีมากพ<อ><อ>วกที่ฉันเนื้อฉันปลาไม่ได้ยืนยันว่าไม่ใช่เนื้อใช่ปลาอย่ามาเอาใส่บาทเออเขาไมา่ได้ว่ามีอะไรเข้าก็ฉันเหยียดันัน เรารู้อยู่แล้วในกายลูกประธาไมไ่มีอะไรเป็นแก่เป็นสารเลยเกิดขึ้นได้แตปป่ป่วนได้แต่สาย ห, หมดถ้าเป็นอย่งนั้น เรามีน้อยแล้วก็ไม่ตื่นเรามีมากแล้วก็ไม่ตื่นจะร่างกายใหญ่โตสักเพียงไหนก็ไม่ตื่นจะร่างกายเล็กสักเพียงไหนก็ไม่ตื่นจะตัวใหญ่มันชาวก็ตายเท่าชาตัวใหญ่เหมือนรางจัลสีก็ตายเหมือนเท่ารางจัลสีนั่นแหละแตกสลายแก่เท่านั้นแหเก็บเท่านั้นแหะตายเท่านั้นแ่ะมีทั้งล้านตั้งแสนตัวเกิดแก่เก็บตายกันหมดนังในใจรสชาติอันนี้จะทําให้เบื่อนหายคลายเมาแระวังวัฏสงสารง่าย เป็นตัวเส้นสมาธิปัญญาที่สูงด้วยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนิตจาถ้ไม่ผูวงพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้านถ้าจะไปเอาสมาธิมาแข่งกันมันก็พอเป็นนิสัยเส้นไม่มีสมาธิจะมีมาจากประตูไหนสมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากประตูไหนถ้าปัญญาไม่มีนิพิทาความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารจะมีจากประตูใดถ้าความเบื่อหน่ายในสงสารไม่มี วิราคะความสิ้นกำหนักจะมาจากประตูใดวิมุตตความลุ่พนจะมาจากประตูไหนวิสุทธิจะมาจากประตูใดนิพพานจะมาจากประตูใดมอนกั น, นเป็นลำดับไปเองพระอรหันต์ท่านภาวนาท่านภาวนาเป็นเครื่องดูของท่านเทวีบา แต่รุ่พวกเราก็ยังเป็นคนทุกข์ภาวนาเพื่อคนทุกข์เพื่อสะสมกองบุญเพื่อคนทุกข์ปัญหาของโลกทําไมมีมากก็มีมากสิพวะเรามุ่งมากปรารถนามากมันก็มีมากถ้าเรามุ่งมากปรารถนาหน่อยมันก็มีหน่อย ถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่ปัญหาของเราจะมีมาอะไรมากนะักมันก็ไม่มีเหมันันถ้าไปอยู่ไหนมันถูกกับใจเราหมดอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะออกจากโลกได้ พระละหันก่อนจะออกจากโลกได้เพราะพมันไม่ถูกกับจิตกับใจของท่าน่ะไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยเพราะได้หมูไม่ดีมีแต่มูโรหมูโกรธมูหลงก็เลยหนีก็เลยเบื่อเลยนายพระละหันไม่อยู่ด้วยเพราะทาบาลมีแก่กล้ามาแล้วผู้ที่บารมียังอ่อนอยู่ทีนี้เช่นมาม่วงอย่างนี้ เราจะไปเผาไฟให้มันถูกมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่น่ากินอีกด้วยนะเพราะมันอ่อนอยู่ผู้ว่าเรามีแก่กล้าแล้วเ้าจะทําให้มันอ่อนมันก็ไม่อ่อนถึงดอกบัวก็มืนกันดอกไหนมันจะบานเราจะไปกรรมมันไม่มันก็ไม่ถูกดอกไหนมันไม่บานเราจะไปฉีกข้มันบานมันก็ไม่บานนั่นก็เรื่อง เต่ลลายของธาตุาามันวิธีจะทำให้บานจะทำยังไงมันก็ไปพบแสงพระอาทิตย์เมื่อกระโดดอาหารเข้าไปเลี้ยงลำต้นมันมันก็บานเท่านั้นเพราะมันพอแล้วแสงพระอาทิตย์และอากาศที่มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วมันก็บานเองเข้ามัน มันหาเองเขามันใครจะบอกก็ไม่ถูกหรอกส่วนอยู่ใต้น้ําก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ยังไถือว่าไม่มีบาปมีบุญส่วนที่เสมอหน้ําก็เปรียบเหมือนคนที่กําลังถือผีว่าถือเทวดาว่าทําต้นไม้ภูเขาบ้าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บาพวกที่อยู่เสมอหน้ํา แล้วก็ทำบุญเพื่อเอาเกลือเอายอดบ้างภานาเพื่อหลอกกินขนมเขาบ้างหลอกเอาลาบเอายอดบ้างพวกที่ดอกบวัวตูมเนี่ยเขาผักทิ้งเนี่ยเขาหาเวลาจะบานเขาไม่หวังเสร็จแล้วทำบุญอะไรเท่าเม็ดงาขาเลียนก็าตาขมขาน้อมสถึงสู่พนิพพานทางนั้นน้องเพื่อคนทุกในวัฏฏสงสารโดยด่วนทางนั้น พที่ปรารถนาพุทธภูมิก็ไปอีกแบบหนึ่งทีนี้จะตายกี่ชาติกี่ภพกระชั้นหม้อมันขอให้คูได้เป็นพุทธภูมิมีพวกนี้ไปอีกแบบหนึ่งข้อสร้างบาลีมีมากแต่เราไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นค่อยพนทุกเป็นพอเราจะดำดินเป็นมนได้หรือไม่ได้ก็ตามปลาไหลมันดําดินได้มันก็ไม่เห็นประเซิดอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นพระหัตอ์ปลาลดมันก็ดําดินได้นกมันก็บินได้ก็ไม่เห็นมันเป็นพระหรัง ถ้ามาเย็นดีในชาติไหพบอันเดียวเท่านั้นมันก็พ้นจากขีเลร่หมดได้เหมือนกันถ้ามันพูดแต่ปากเฉยๆมันก็ไม่พ้นถ้ามันเบื่อนายในชาติไหนพบจริงๆอันอื่นมันก็เบื่อหนายหมดถ้าเมื่อมันเบื่อนายในแก่อันอื่นมันก็เบื่อหนายหมดเหมือนกันถ้ามันเบื่อนายในเก็บอันอื่นมันก็เบื่อหนายหมดเหมือนกันมันเบื่อนายด้วยความอยากตายของมันถ้ามันเบื่อนายในเกิดมันก็เบื่อนายในแก่ในเก็บในตายเหมือนกัน ถ้ามันเป็นของจริงจริงหรือไม่จริงให enfin ้ม <gal entrepreneur |id|>. the ันถามมันให้มันให้คะแนนมันเองคนอื่นจะให้คะแนนมันก็ไม่ได้จะถามมันก็ไม่ได้ต้องถามตัวเองจริงเพียงแค่ไหนก็ต้องถามตัวเองไม่ให้คนอื่นมาให้คะแนนก็ไม่ได้ไม่ให้คนอื่นมาบุกก็ไม่ได้สมมติว่าเชือกมันเป็นบวงอยู่อย่างนี้ขาของเรามาสวมอยู่อย่างนี้มันรัดอยูอย่างนี้คอของเราก็สวมอยู่อย่างนี้ถ้าตัด มันเกาะกันอยู่เป็นรูปโซกเกี่ยวข้อมเกาะกันอยู่อย่างนี้เกาะกันบวงอย่างนี้เราตัดที่ไหนมันก็ออกได้เมันกันเราตัดที่ไหนมันก็ออกได้เหมือนกันเราตัดอวิชชาความโง่มันก็ออกได้เหมือนกันคนงงงงหล ง, ลงมายินดีในชาติแล้วเบื่อนายชาติแล้วมันก็ตัดไม่ได้ชนาพญาทิมาแะ้วนนไม่ต้องตัดก็ได้มันตัดเองมาแล้วนี่ ถ้าเรารูเท่าดูเท่าตัวหลงหลงที่นี่ดูเท่าตัวหลงหลงก็เท่ากับว่าเม็ดข้าวนะมันรีบแล้วมันมันไม่ ม, ม, ม, มีมันไม่มีเม็ดอยู่ข้างในนะ่ะพวกพันุ์ของมันไม่มีแล้วจะเอาแกลบไปปลูกมันก็ไม่ไม่ได้มันก็ไม่ไปเรียกว่าอวิชาอวิชาก็แปลว่าตัวงโูโ ถ้าปัญญาของเรามาชนะตรวของโกของเราหมดแล้วแล้วก็ข้ามทะเลหลมเท่านั้นนั่นถ้าสังขารเราไม่มีถ้าเราไปยินดียินดีนในสังขารอุปาทินกาสังขารกับอนุปาทินกาสังขารอุปาทินกาสังขารสังขารมีใจคลองอนุปาทินกาสังขารสังขารที่มันมีใจคลอถ้าเราเห็นว่าสังขารทั้งสองนี่เกิดขึ้นแล้วแปลโปรนี่แตกสลายชัดแล้วเราก็ม้มายินดีในสังขาร มันก็ตัดขาดเหมือนกันวิญญาณที่นี้จักขู่วิญญาณวิญญาณทางดงตาโพตวิญญาณวิญญาณทางหูขณะวิญญาณวิญญาณทางจมูกจมหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายวิญญาณวิญญาณทางกายมัดโมวิญญาณวิญญาณทางกายวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแน่แปลกด้วยแต่กระไรหรือวิญญาณมาตีสมทิปก็ดีถ้าเราตัดอันใดหนึ่งได้มันก็ขาดไปอีกเหมือนกันเราไม่ตัดอวิชาตัญหาเราไม่ตัดอวิชาสังขารวิญญาณเราไปตัดนามลูก เราไปตัดอายตนะเมื่อเราไมา่ยินดีในอายตนะทั้งภายในภายนอกทั้งตาหงษ์จงริยการใจและรูปใจเี่ขีนรถสดสะพะกมะลงแล้วเราก็ตัดได้เหมือนกันนี่นั่นอ๋อทีนี้เวชนาทุกทุกก็บีบขาเดี๋ยวนี้อันอื่นเราไปตัดเราไม่ยินดีในเวชนาทั้งสามเวชนาทั้งสามเกิดขึ้นแน่แปลวนั่นแตกสลายเหมือนดังหงส์ฝีก็แปลว่าเราข้ามโลกได้อีกเหมือนกันนั่น อุปทานการมุปทานเราถไม่ถือมันในกามทิฏฐุปทานเราไม่ถือมันในทิฏฐิศีละพัตุปทานเราไม่ถือมันในสิ้นพุเมื่อเราชนะอุปทานแล้วเราก็ชนะทั้งหมดอีกเหมือนกันนี่นั่นมันเป็นอย่างนั้นพบกามาพบกามาพบก็เหมือนกันพบสามกามาพบ ยินดีนะพบรูปประพบเอารูปประพบรูปประพบคืออะไรก็คือธาตุสีดินน้ำไฟลมเอารูปประพบคืออะไรคือเวทนาสัญญาสั้งขาทัญญาิงยานนั่นเวทนาชุบทุกอุบเบกขาแต่พวกเราภาวนาเข้าต้องการเวทนาสุข เมื่อเวทนาสุขเกิดมาแล้วเดี๋ย่อก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ยวก็มาเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเนี่ยเราภาวนาไปต้องการเวทนาสุขจะข้ามเวทนาด้วยวิธีไหนทะานหลังท่านข้ามเวทนาด้วยไม่ยึดถือว่าเป็นเว to to so. ทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาข้ามตาได้เพราะไม่ยึดถือว่าตาเป็นตนตนเป็นตาข้ามหูได้เพราะไม่ยึดถือว่าหูเป็นตนตเป็นหูข้ามเสียงได้เพราะไม่ยึดถือว่าเสียงเป็นตนตนเป็นเสียงข้ามจมูกได้ไม่ยึดถือว่าจมูกเป็นตนตนเป็น เหตุฉะนั้นอุปทานของท่านก็ทําลายไปหมดข้ามอดีตได้เพราะไม่คือว่าอดีตเป็นตนจนเป็นอดีตชาตินั้นเราเป็นอย่างนั้นชาตินี้เราเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ก็พูดเฉยเฉยมันเลติดอยู่เพราะละหันะท่านก็ข้ามไปหมดอนาคตจะเป็นอย่างนั้นอนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ทายแล้วก็ไม่ติดอยู่อนาคตใครทายก็ถูกอนาคตคืออะไรคือความทุกอดีตคืออะไรคือความทุกปัจจุบันคืออะไรกองทุกก็ทายถูกเหมือนกันไม่ผิด ถ้าเห็นปัจจุบันชัดแล้วอดีตอนาคตไม่ทายยากยังไงแต่ปัจจุบันมันชัดเมื่อปัจจุบันชัดตอนไหนๆอดีตอนาคตตอนนั้นก็ทายถูกหมดเลขมันออกตัวไหนมันก็ออกตัวชิบหายน่ะน่นะออตัวชิบหายเนี่ยเลขกัก็ทายเท่านี้ก็พอแล้วนี่ย ต, ตัวชิบหาย คนเกิดมาจะเป็นอะไรตายแก่เก็บตายใตายถแล้วนเนี๋ยวยนี่มีอะไรบ้างมันก็มีหมดอยู่ทุกอย่างเดี๋ยวนี่ยดินก็มีน้ำก็มีไฟก็มีลมก็มีโรคกดหลงก็มีแต่ผู้คนไปแล้วไม่มี ผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำถัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดเกเรตไม่มีแก่พระรหันแต่คนอื่นมีอยู่เรามาอยู่ในสนามทุกข เมื่อเราไม่พ้นทุกเมื่อเรายังไม่นายทุกทั้งหลายยังไม่พ้นทุกเราจะสําคัญว่าเราฉลาดสักเพียงไหนก็าตามเราก็จะได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกคนฉลาดได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกเราถือว่าพรังหันเป็นคนโง่เท่นี่แต่ว่าท่านไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกผู้ที่หมดหนทางก็คือพลังหัน ทำคนนั่นลงมาไม่หมดทุนทางไม่ไปทางบาปก็ต้องไปทาบุญผู้ไม่มีทุนทางไปก็พลันหันเนื้อทอกนั้นต้องมีทางไปทั้งนั้นพลันหันท่านมันไปไหนท่านมาอยู่ที่ไหนท่านไม่สําคัญว่าท่านอยู่ที่ไหนท่าไมาสาคัญว่าท่านไปที่ใดทําไมสําคัญว่าท่านได้ท่านเสียอะไรเมื่อท่านไม่สาคัญตัวในที่ใดๆอุปทานใดๆของท่านก็ไม่มี เพราะท่านรู้เท่าทันเชื่อมถึงแล้วพวกเราจะไปเที่ยวหาโลกถ้ามันถูกกับกิเลสของเรามันไม่ให้มันถูกใจเรามันไม่ถูกละแต่ให้มันถูกกับกิเลสนั้นได้อยู่เพราะมันต่างคนก็ต่างมีกิเลสอยู่ในโลกก็เอามาต้อนรับกันเพราะมันขายกันอยู่ในโลกก็ขายชื่อขายกันกิเลส เขาเห็นภัยในวัจ้าสงสารอย่างเต็มที่เขาก็เห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่เหมือนกันนั่นเขาก็เห็นทางออกอย่างเต็นที่เหมือนกันนั่น เ ร, รามหาธาดาพระอุาสาวทังหลายเดินโยกรมพราาเพื่อเป็นธรรมเนียมเพื่อรักษาสืบอนุสันติว้่งเฉยไปบินทบาทก็มากันไม่ได้ไปด้วยเกเรตไปเพื่อบำรุงสังขานพอได้อยู่ไปเป็นประทางประทางเท่านั้นแต่พวกที่ไม่พ้นเดินโยกรมพราณาเพื่ออยากจะรุชพ้นส่วนพระอรหันต์ ทำเป็นเครื่องดูของท่าน้าวีวบาก็เฉยและสืบสะพานให้อนุชนรุ่นหลังไว้ที่นี่พระมหากรัตปะพาพิชุสงมากราบไหว้พระบรมชาตินาเออข้าพระเจ้าข้าพระข้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระ พระ อ, องค์ไม่ไ่้คอยมาลางกระโถนไม่ได้คอยมารับใชพ้พระองค์เคยอยู่แต่ป่าแต่เขาชดดอนเก้าอันใดมีจงทรงพระกรุณาโกรดพวกเก้าเทินธรรมหากระสปาพระมหากระสปาพูดกับผีหรือก็พูดด้วยความเคารพแต่พระ อ, องค์ได้ยินหรือไม่พระ อ, องค์ไม่ได้ยินแต่เทวดาได้ยินเทวดาที่รักษาอยู่นั้นะ พระพระองค์เข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่ได้มาฟังคาพูดของพระมหาคัตปะอยู่เข้าสู่อนุปารที่เทสสาในปานแล้วแต่ว่าพระมหาคัตปะพูดทําไมก็ต่างคนต่างเป็นทหารแล้วจะเอาโทษกันทําไมเป็นสันติวิธีเพื่ออาศึกไว้ให้อนุชนรุ่นหลังไม่ให้เย่อหยินจองหองให้มีพู้น้อยผู้ใหญ่ให้มีเคารพกันให้มีคารโวจนิวาโต มองเคารพเอตมังฆานุศตังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเคารพในสิ่งที่ควรเคารพผู้มีปัญญาย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่เคารพในสิ่งที่ไม่ควรเคารพย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมไม่บูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชาผู้มีปัญญามันไม่ใช่จะเคารพไปทั้งหมดบุคคลผู้เคารพพ่อผู้เคารพพ่อรลีแม่ค ร, รูบาอาจารย์และหมู่เพื่อน แต่เป็นเขารบพระพุทธธรรมผสมหรือไม่ถ้าโอนเป็นมันก็เป็นเหมือนกันเพราะการเขารบเนี่ยพราะพุทธธรรมผสมสอนเนี่ยเขาลบถ้าโอนไปมันก็เป็นเหมือนกันถ้าโอนเป็นถ้าไม่โอนไม่เป็นมันก็ไม่เป็นมันขึ้นอยู่กับโอนเช่นพระกัจจายนะอย่างนี้ท่านไปอยู่ในอวันตีชนบทเข้ามาถึงองค์ท่านพอถึงพระกัจจายนะเป็นชรณะ พระหน้าเลื้ยงใช้ก็เกินโอ้ทำเป็นพระหัเนี่อย่ามาถึงเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงได้บุญมากนะท่านโอนแล้วมันขึ้นอยู่กับโอนพระหันถึงขนาดนั้นยังไม่รับไห้เดี๋ยวพวกเราถ้าเขาถึงตนเป็นใจสนาคมอย่างนี้ก่อนจมูกก็อยางนี่แหละสู๋สูแม่กูบอกเถอะอจ้ <c oughs> <c oughs> ท่านอนเลยโอนเลยโอนเลยท่านยังไม่กลับตุนเลยอุนถึงว่พูดธคทํารระสงค์ถึงว่าพุทธคุณธระสงค์จึงได้บุญมากถ้าถึงเราไม่ได้บุญมากท่านยังมีสันติวิธีพูดที่นี่พวกถ่อมตนใช่ไหยเรื่องถ่อมตนมีในพร า, หารหันมีไหมใครไปพูดถ่อมตน ก็พระอาทิตยเป็นผู้ถ่อมตนพระอาทิตยบวชใหม่ๆมีผิวพรรณวันนะผ่องายมากไปบินท่าบากเวลาจะเก้าวไปถอยกลับมีสติสพัพพัญญะอยู่ทุกเอเรียบทชิพระชายาบุตรที่มาจากสวนชัยปฏิภาชกไปเห็น เออท่านบวชในสํานักใครใครเป็นอาจารย์ของท่านมาฟังเทศกับท่านเถิดเออเราเป็นท่าพิเศษบวชใหม่ไม่สามารถจะเทศให้ท่านฟังได้ทนีพ้พอออกจากบ้านมาออกจากบ้านมาแล้วออกจากบ้านออกจากเป็นธรรมทําทไมท่านจึงพูดถ่อมตัวอย่างนั้นพระอัชสกินะ ก็เพราะว่าภาษารีบุตรนี่ที่อยู่ในสนชัยปฏิภาชกเขาก็เล่าลือแกว่าเขาก็ลงทันว่าเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นพระอัชชิจริงถอมตนแม้เป็นพระรหันต์อย่างนั้นก็ยังถอบตนอยู่ทีนี้เออทาไม่ต้องเทศให้ผมมากหรอกเทศนิดเดียวก็ได้ครับ เออถ้าอย่างนั้นก็เทศก็คือเทศอ น, นิจจังสิ่งใดที่เกิดขึ้นหน้าสิ่งนั้นก็ดับสูญเป็นธรรมดาเ อ, าพ อ, พอาา้พอแล้วครับเพราะคนมีปัญญามากพอแล้วครับก็เลยไปหาพระโมคคัลาเลยเนี่ยสหายกันก็สั่งกันไว้ว่าถ้าใครได้ทำแล้วมาให้มาเทศให้กันฟังเนี่สั่งกันแล้วสหายสอ ง, ส ง, สงคนเคยเป็นสหายกันมาแต่ครั้งพระเจ้าอาโนมทัทสี โมฆร า, าสารี ท, ทีนี้ก็เลยเออท่านมาจากไหนวันนี้ดูหนะ้าตาผ่องใสเหลือเกินถ้าค้าจะได้ธรรมะมานะมาเล่าให้กันฟังสิพระโมฆลาสารีบุตรก็ไปเล่าให้พระโมาลราฟังพระโมฆลาก็ถึงปัสสาวะบานเองก็เลยออกหนีจากสวนชัยไปบวชกับพระบรุษมศาศกรย์ทีนี้ทำไม พระอัิกิจจึงพูดถ่อมตนถึงขนาดนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วทําไมจึงไม่ชูงวงทําไมจึงไม่อหังการว่ามังการทําไมจึงไม่ผืดผายก็เพราะว่าภาษาดีบุตรเป็นคนมีปัญญามากแล้วและจะพูดหาคําพูดเขาดูว่าเขามีคนมีปัญญาขนาดนี้แเ้าจะพูดไปยังไงเมื่อเราพูดอย่างนี้เขาจะเหิอนหินยังไงนี่ภาษาดีบุตรกระทด อัศกิจก็ทดสอบเหมือนกันท่านได้พระสําเร็จ พ, าาะพระละหานแล้วภาษาลิบุตรพระอัศกินอนอยู่ทิศไหนก็ตามกราบไหวไปทางนั้นเช่นก่อนจึงนอนถ้าทราบว่าพระอาทิตย์อยู่อพระอัศกิจอยู่ทางทิศตะวัน ต, ตกหรือทิศตะวันออกหรือทิศเหนือทิศใต้ก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามได้รับทราบข่าวอย่างนั้นก็ยกมือใส่หัวเช่น ก, ก่อนจึงนอนแม้นอนก็พินหัวไปทางนั้นอีกคือด้วย ไม่ว่าทิศตะวัน ต, ตก่อนออกเมื่อพระอัษฎากยอยู่ทางที่ไหนก็พินหัวไปทางนั้นที่โฉงทางหลก็เกิดพ้อะว่าพระอัษฎกศน่ะพระสารีบุตรเป็นคนไหว้ทิศทั้งสี่เป็นคนนอนผินหัวไปเพว่พิพพิภูฐาเออันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นหรอก พราพระอาร์ชเอยู่ในทางไหนเขาเคารพรับถือเพราะเขาได้สําเร็จพระโสดาบันด้วยเขาเลยลึกถึงคุณคนเพราะก็พินหัวไปทางนั้นเขาก็กราบไหว้ระทางนั้นไม่ใช่เขาไหว้ทิพทั้งสี่รอพระชายาบุตรเป็นคนมีปัญญามากกว่าเพื่อนเป็นคนไม่อักตันอู่ไม่อภรารถพามใส่บาตรให้เพียงทัพทิพย์เีเดียวเท่านั้นเขาก็ยังเลืลึกได้พระชายาบุตรไปบินแทบาทในกรุงอจจัจฉริยะ วันนั้นมีราธาพามใส่ให้ทัพผีเดียวพระราธาพามยูกหลานเขาก็ไม่เรียก ท, ท่านก็เป็นคนจนเหมือนกันพระราธาพามท่านก็เลยมาขออาศัยอยู่กับพระพระบรมศาสดาเห็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าพระราธาพามอยากรว ใครเลือเขียนคนพระราธพรม่าออุอบายพูกพระชายาบุตรตอบพิ่ก่อนเก้ากับผมเห็นเป็นยังไงอธิบายเพราะไปเป็นธ่าบาทเนี่คุณน่าจะคือพระราธพ า, ามสายบาทให้ทัพพีหนึ่งเออถ้าอย่างนั้นเธอก็บวชให้พนะราธพ า, ามเช่นโลกชายาบุตรตรงเอาไปเรือ่องอย่างนูง้นพิชิตทางหลายอุบาสกอุบาสิกา เขาใส่ข้าวห้าเพียงครับเพีเดียวก็เลยถึงคุณเขาได้ภาษาลิบุตเป็นคนมีปัญญามากท่านทั้ ง, ทงหลายจงเอาเป็นเรื่องอย่างนูง้นเาบอกเรารสาทจะได้ไม่ประมาทเลยองค์อื่นไม่มีปัญญาดอกหรือก็อมีปัญญาอยู่ถ้าไม่มีปัญญาจะสำเร็จพระรหัําไมแต่ไม่แตกสานเหมือนด้านปัญญาไม่แตกฉานเหมือนภาษาลิบรุร คนเราสร้างบาลานีมามาเหมือนกันบางคนก็แก่กล้าแล้วบางคนก็ไม่แก่กล้าบางคนแก่กล้าแต่ไม่แตกสารเลยทำอะไรไม่ได้บางคนแก่กล้าด้วยแตกสารด้วยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าที่สุดของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มันก็จะไปพระนิพพานอย่างเดียวกันแต่มันยังไม่ทันมีชิวท่านั้น ไม่พระเจ้าองค์หนึ่งก็พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งสัตว์ทั้งหลายล่ะเขาเจาแกะผืนนี้ไปพร ะ, น, ะนิพพานวัดเห็นฉน่านแต่พระพุทธเจ้ามันก็มากกว่าร่าโกรธแล้วนับเป็นอาสงไข่อสงไขยก็มากกว่าอสงไขยออกไสด์อสงไขยอีกสาวกของท่านสาลิกาของท่านเทวุตรเทวราของท่านจะมีมากขนาดไหนมันก็นับไปไว้อีกเหมือนกันสาปชนะพระ พ, พุทธเจ้า พุทธศาสนาตามแถวพระพุทธศาสนาพวกที่คัดแยงพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันนั่นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ต้องมีมารอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีมารก็ไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีอันชั่วก็ไม่มีอันดีจะรู้จักอันดีนักมวยก็เหมือนกันถ้าคนหนึ่งไม่ชนะก็ไม่รู้จักว่าอันใดดีอันใดชั่วถ้าไม่มีมืดก็ไม่มีสว่าง ถ้าไม่มีมืดสว่างก็บัญญัติไม่ได้ถ้าไม่มีสว่างมืดก็บัญญัติไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งที่จะบัญญัติถ้าไม่มีผู้เหยียดหยามไม่มีผู้ต่อสู้ว่าพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้จักเด่นเหมือนกันนั่นในไตโรกท่านไปต่อสู้กับพุทธศาสนาหมด มันกอดสู้ว่าพุทธศาสตร์ชนะไม่ได้ถ้าไม่เชื่อกลองดูเอา้าเราบาที่กะนาดูสิี้พวกที่พวกที่ประเทศแผ่นดินไว้บ่อยๆมันเป็นยังไง พวกที่ประเทศที่มีลูกระเบิดที่มีลูกเห็บลงถึงกี่ตันในเวลาที่เราอยู่ห้วยทรายปีนะ่เออร่วงมาแล้วสามสิบกว่าปีแล้วได้ทราบข่าวอ่ะประเทศฝรั่งเศสยูกเห็บลงอสองตันอะไอย่างเง้ทีนี้เราก็นึกบ้าบ้าบอไปหรอกเออพวกนี้มันเคย ทำลูกระเบิดให้มนุษย์ <c oughs> กรลุกเหยียบลูกโตกลงสนอง <c oughs> พูดอย่างนี้สินี่ยที น, นี้บางประเทศก็แผ่นดินไหวหมดงเออ <c oughs> มันลุกเล่าพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นละเราก็พูดไปอย่างนี้สินี่ความจริงมันจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่เราพูดแบบว่าบอไปหรอกทีนี้แต่เราเป็นโลกอยู่เดียวนี่ก็พฤติรกรรมของเราเหมือนกันนะ นี่จะไปรักษาบุปกรรมให้มันดีมันเข้ามาดีแล้วเาก็สอนแสดงให้เห็นมันกันหนึ่งโรคแท่เลื่องสองโรคเนี้ยถุงน้ำดีสามโรคหัยใจก็สี่โรคพัลลดึกโรคพัลลาดึกกับโรคเนื้ชาลำไส้อันเดียวกันกับโรคชอบผูกก็อันเดียวกักบโรคกระเพาะก็อันเดียวกันนี่ก็ยังอีกอยูนี่ โรคตาเหลืองสิโรคตาเหลืองกับโรคทุ่งลำดีอันเดียวกันแยังมีโรคอีกสิโรคท้อผุโรคคนรเด็กม่าเนี้วโรคชราเอีกโรคชราใครก็ไปมารอดดอกเขาต้องมีทุกคนเราใส่ยาอยู่ทุกวันนี่นก็ใส่ตามเรื่องของมันเฉยๆดอก แต่ว่าเราก็ไม่หวังว่ามันจะหายเพราะเราแปดย็ดแปดเลยอจะตายก็พอตายจะอยู่ก็พออยู่เลยอทีนี้ใครเคยภาวนาอะไรก็ต้องภาวนาให้มีขอวักพวกจำวรรณีก็มานกันงพอไปซู้อทำอะไรก็มานั่งจะมาอยู่พอแล้ยวันแล้วคืนแล้ปัญหาเข้าขามากินเดี๋ยวจะเป็นเปรตตายอ่าต้องภาวนาต้องเดินตรงกรมว่า เห็นแก่รับมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเห็นแก่รับแกนอนเห็นแก่กินแกขี้ถ้าได้กินมากก็ขี้วามใหญ่นั่งดมมากเห็นแก่กินแกขี้ก็ไม่ได้สําหรับเราเนะ่ะแต่ผมเห็นมันกินมันก็ไม่อยากกินแช่แล้วมันไม่เหมือนอายุสามสิบอายุสามสิบต้องห้ามร่อมันเดี๋ยวนี้มันห้ามใช่แล้วผมเห็นมันกินมันก็ไม่อยากกินแช่แล้วไม่จําเป็นในเรื่องอาหาร ไม่ได้อาหารไม่จำเป็นเพราะขมเหงมันมันก็ไม่อยากที่จะเอาทุกวันมันเกนจะไมาลงไม่ได้รำบากไนเรือาหารนอนก็เหมือนกันแม้เกินถ้ามันจะดับเกินไปมีน้ำชับในบงังคับมันอีกด้วยไม่อยู่ป่าป่าก็ไม่ภาวนาให้ไม่อยู่เรียนลาบเรียนลาบก็ไม่ภาวนาให้ นั่งรถนั่งเรือรถเรือก็ไม่ภาวนาให้เดินขาก็ไม่ภาวนาให้นอนหลังก็ไม่ภาวนาให้ก็คิดใจภาวนาเอาเองเราทำดีทุกวันทุกวันไม่ใช่ความดีมันจะอยู่มันเก่า มันก็ ส, นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นใครก็ไปพระนิพพานไม่ได้เราทำชั่วอยู่ทุกวันมันก็ชั่วตำลงทุกวันถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครไปนรกได้มันก็ต้องไปนรกกรรมแล้วผลของกรรมย่อมเป็นรางวัลของสัตว์ทั้งหลายอยู่กรรมแล้วผลของกรรมมันสังขารยานาอยู่แล้วเราอย่าไฟไฟก็สังขารยานาให้อยู่ เป็นสารใตสวนก็เป็นสารตัดสินอยู่ในที่นั้นเราสงสัยตอนไหนมันต็อเป็นสารใตสวนใสสารตัดสินอยู่ในที่นั้นผลของมันก็ได้รับความสงสัยเราไม่สงสัยผลของมันก็ไม่รับความไม่สงสัยมันก็เป็นสารตัดสินอยู่ในที่นั้นเลยนั่นเราทาอะไรเรานึกอะไรอยู่เราก็รู้อยู่มันก็เป็นสารแต่สวนสารตัดสินอยู่ในที่นั้นเลย่น ถ้าปฏิบัติแล้วมันก็ไม่มีมากหรอกถ้าพูดประมากเาก็เป็นปริยัตเพราะมัยัดเข้านี่หัวใจปฏิบัติก็ปฏิบัติที่หัวใจปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติที่หัวใจปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตก็ยัดเข้ามาหัวใจนโมเข้าไปว่านอบนอมในหัวใจก็มีนโมอยู่ทุกคนจะซื้อขายกันก็ไปได้นโมเขามีอยู่ทุกคน พุทธธมสงฆ์ก็คือซื้อขายกรรมอะไรพ่อมีอยู่ทุกคนอนุญามทำในที่โตัวนั้นเรอาอนุญาตทำอยู่ที่นอนละคนห ม, หมดหมดทุกคนกรรมฐานก็มีอยู่ทุกคนที่ทักทายกันว่านั่นกรรมฐานนี่กรรมฐานโ อ, อ้นังนุ่งอยู่รอบๆมีทุกทัง้งมีก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้นนั่งฐานะแปลที่ตั้งของความเกิดขึ้นแล้วแปลผลและแก่สลาย เป็พัฒนากรมาา ร, ากรมฐ า, านสัพพะกรรมฐานเรืพัฒนากรรมฐ า, านสัพพ ะ, ะแปลว่าการสงบใจให้นิ่งอยู่ทําไมถึงให้นิ่งอยู่ถ้าเราดูอะไรถ้าเราไปริ่นดูมันไม่เห็นชัดถา้าเราเดินดูมันจังเห็นชัดจึงเห็นชัดสมาธิก็แปลว่านิ่งดูนิ่งพิจรารณาสมาธิเมื่อพิจารณาชัดแล้ว ปัญญาก็ตัดสินทีนี้สมาธิจะละเอียดและอ้อสักเพีอนไหมก็ตามมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกันถ้าสมาธิอยู่ใต้อานาจอันนี้จังถอนออกมาเหมือนกันเมื่อถอนออกมาแล้วก็น้อมลงสู่ใจรั ก, กนิมิตนิม้อยอะไรก็ตามเถิดเสียวตุ้มน้ําตามวุเทวบุตรเทวดาอะไรก็ตามน้อมลงสู่ใจรั ก, กอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น เกิดขึ้นห้าแปลโพลแล้วแต่สลายสิ่สเหล่านี้เราไม่ได้แบกขามไปพระนิพานด้วยไม่ได้แบกขามในมิตไปพระนิพานด้วยตาหงุดหงิกงูเลี้ยงกายใจก็ม่ได้แบกขามไปพระนิพานด้วยพิ่เจ้าให้เป็นคนทางเบื่อหนาาอ่ายใครหลงเฉยใจก็ม่ได้หอบไปพระนิพานด้วยถ้าหอบใจไปพระนิพานก็ไปกล่าวตัวพระนิพานไม่ตายอดตายอยากใจก็ไม่ไดเอาไปพระนิพานเป็นคนทางเข้าสู่พระนิพานีเฉยใจ ถ้าทำถูกถ้าทำผิดก็เป็นหน้าตานลกผู้นั้นเพราะนี่ผ่านไม่ได้เอาใจไปถ้าเป็นทรรอันไม่ตายไม่บัญญัติไหใจถ้าบัญญัติไหใจก็ไม่สมฐานะพระอรหันต์ตายแล้วมาบัญญัติไาวใจพระอรหันต์ที่ไม่ตายบัญญัติไหใจบัญญัติไหใจไม่มีกิเลสใจแก้ปัญหาของตนตกแล้วแก้ความหลงของตนตกแล้วมีแต่จใจรุ่นรุ่ไม่มีความหลงความประยุกต์อยู่นั่นไม่มีพระนครหลวง ไปตั้งที่รอบเมืองใจเราลู้เท่าลู้ทันลู้มันลู้ใจลู้ธรรมู้ธรรมอันไม่ตายลู่ใจอันไม่ตายใจนันกายเป็นธรรมะอันไม่ตายไปแล้วพระรหันตายไปแล้วไม่บัญญัติไหวใจพระรหันตายไปแล้วบัญญัติไหาใจไม่ถูกเพราะเหลือวิสัยที่บัญญัติใจแล้วเพราะมันกายเป็นธรรมอันไม่ตายแล้ว ทำไมเราจรึงไม่นอนใจก็เพราะวาสนาของเราเพราะบารมีเราแก่กล้ามาแล้วเราก็ไม่นอนใจทำไมเราจรึงนอนใจก็เพราะเรายังสร้างบารมียังไม่ถึงนั่นมันจะเครื่องสอบแสดงเห็นอยู่ทำไมเราจรึงไม่สนใจก็เพราะบารมีของเราไม่แก่ย้ายังเป็นก ร, อราอาการขอละอาขาอยู่ยังเลขมหนึ่งเลมสองเลขมสามเลขมสี่ทำไมเราจรึงไม่นอนใจในวัฏจักรงสารก็เพราะเราเห็น โทษในวัดตาท่องสารเราก็ไม่นอนใจนะถ้าเรานอนใจในวัดตาท่องสารก็ให้ทราบเถิดว่า บ, บารมีของเรายังอ่อนเราจะแอดกินกับอ่อนมันก็ได้ล้วก็ต้องพยายามทําให้แก่ทีนีนั่นเวลาเกิดมาก็กำมือร่องให้เวลาไปก็แบมือไม่ได้เอาอะไรไปด้วยเอาแต่แา คนในใจเกิดมาก็กำ ม, มือร้องไห้เพราะมันจะมาได้บับมาผ่านทะเลทุกไม่มีใครเกิดมาแล้วยิ้มเลยเกิดมาอะไรยิ้มแฮ่แห่ไม่มีมีแต่ร้องไห้แกะแกแกะ แ, แ, แกมาผ่านทะเลทุกมันเป็นมงคลอันไม่ดีแต่เกิดแล้วมันจะมาผ่านทะเลทุกผ่านทะเลแก่ทะเลเก็บทะเลตาย ถ้าเละไม่ผสมผสมถ้ามันสมผสงค์หมดอยู่ในโลกเี่ก็ไม่มีใครจะนายโลกได้โลกันไม่สมผสงมจึงมีผู้นายโลกได้นั่เท่านี้พอแล้วเอาหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรในโลกมันสมผสมเอา้าไม่มีหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรที่อะไรไม่มีเลยแม้แต่อันเดียวก็ไม่มีถ้าแม่งงานก็ไม่มีนั่นเห็นไหมนั่น มันจึงสมประสงค์แต่การละบาปบาเพ็ญบุญเท่านั้นถ้าแรกทำน้อยก็เป็นน้อยทำมากก็เป็นมากอันอื่นไม่มีสมประสงค์เลยถ้าไม่ละบาปบำเพลงบุญการละบาปบำเพ็ญบุญนนเทไรก็สมประสงค์เท่านั้นถ้าละไม่ได้ก็ไม่สมประสงค์เท่านั้นส่วนภายนอกไม่มีปัญหาเยไม่ใช่ว่า คนจะมีลาบมียศในทางพระพุทธศาสนามีเงินม า, มากๆเต็มเป็นฟ้าแผ่นดินมีลาบมียศไม่ได้ไหมายอย่างนั้นากาบไหว้คนเช่ น, นั้นคื อ, อ, อก็ไม่ใช่อย่างนั้น